สว่าฆ่าโตภกวัตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิประภักาีตรัดดีแล้วสั้นดิธิโกอันภูปฏิบัติภูดได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบวยการเวลาเอหิปัสสิโก ควรน้อมเข้ามาเอหิปัจจิโกควรเรียกให้มาดูโอปัญญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตังเวดิสโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม เพื่อให้รู้ธรรมะที่พึงรู้ยิ่งเห็นจริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจฟังธรรมะที่ทรงแสดงและปฏิบัติตามหลักสัมโพธชงดังที่ได้แสดงมาแล้วคือตั้งสติความระลึก กำหนดตั้งต้นแต่ระลึกกำหนดไปตามธรรมะที่แสดงเป็นสติและตั้งสติก็คือตั้งสมาธินั่นเองในการฟังรวมเป็นสติปัฏฐานดังที่แสดงแล้วสติก็เป็นสติฐานะตั้งก็คือสมาธิ ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์และพิจารณาเลือกเฟ้นธ ร, รมให้รู้จักธรรมะว่า น, นี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอัพยาเกรดคือเป็นกลางๆนี่มีโทษไม่มีโทษเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นธรรมวิยะสัมโพชฌงค์และต่อต่อไปก็ย่อมจะ เป็นอันปฏิบัติในสติปัฏฐานโดยโพดชงและเมื่อปฏิบัติโดยโพดชงดังนี้ตั้งแต่สติและทรรมวิจยะแม้เพียงสองข้อนี้ก็จะทำให้รู้จักสภาพธรรมดาของอัตภาพ หรือของชีวิตนี้ไดเวทนาจิตธรรมและข้อธรรมนั้นโดยเฉพาะคือขันห้าอาจตนาหกเป็นสภาพธรรมคือธรรมะที่เป็นสภาพมีภาวะของตนตามเหตุและผลตามเหตุปัจจัยเป็นสภาพธรรมที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล แต่เพราะมีสันธาอุปาทานมีสัญญต์จึงได้เป็นอกุศลขึ้นมาดังที่ตรัสในข้ อ, อนิบบานที่ได้กล่าวแล้วจึงได้ตรัสสอนให้ทมสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมและกำหนดถึง กิเลสที่มันเกิดขึ้นอันอาศัยทั้งสี่ข้อนี้ที่ประกอบกันเป็นไปอยู่แล้วก็ตรัสสอนให้กำหนดในทางที่เห็นง่ายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสก็คือให้กำหนดอาจตนะภายในภายนอกที่ประจวบกัน ที่ทุกคนมีอยู่เป็นปกติจึงเกิดสัญยชน์คือความผูกใจในอาจตตนะและเมอยกขึ้นมาเชี่ยเห็นชัดก็คือผูกใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัและธรรมะคือเรื่องราวยึงได้เป็นอุปาทานขึ้นเป็นตันหาเป็นอุปาทานขึ้นเป็นนิวรที่ปรากฏ อยู่ในใจอันปล้นใจกลุ่มรุมใจปรากฏอยู่แต่เมื่อได้มีสติตั้งกำหนดให้รู้ทันก็ยอมจะได้กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมเกลา่าว ว่ามีอยู่เป็นไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้สภาพธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นความเกิดความดับเพราะฉะนั้นจึงได้มีปหานะคือการละสัญญ์ขึ้นเองจากสติที่กำหนดรู้นี่แล้วก็ละสัรหาอุปาทานได้และก็ ทำตุสิสมาธิที่ตั้งกำหนดและตัวความรู้ที่เป็นปัญญานี้ให้เจริญยิ่งขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะละสังโยชน์อันเป็นกิเลสพร้อมทั้งอันหาอุปาทานนิวรณที่มังเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน นในอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันและก็ละทุกได้อนเนื่องมาจากกิเลสเหล่านี้จิตจึงบริสุทธิ์จากกิเลสจากทุกก็ได้ปีติได้ปัสสัิได้สมาธิยิ่งขึ้นและในอุเบกขาคือความที่เพ่งรู้อยู่ในภายในไม่หวั่นไหว ไปด้วยความยินดีด้วยความยินไรละความยินดีละความยินไรได้จิตก็ตั้งกาหนดอยู่ในตัวความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อจิตได้อุเบกขาดังนี้ที่มีอาการตั้งสงบอยู่ในภายในอันสืบเรื่องมาจากสมาธิไม่หวั่นไหวด้วยความยินดีไม่หวั่นไหวด้วยความยินไร แต่ว่ามีความรู้ที่สว่างความรู้ที่แจ่มแจ้งความรู้ที่โปร่งขึ้นเมื่อเจือปนด้วยทีนมิทะความงุ่งงุนเคลือบเคลื่อเมืม่อเจือปนด้วยความฟุ้งซ่านราคาญใจความสงสัยเครือบแคงอันสืบเรื่องมาจากที่ ละยินดีละยินไร้ได้คือละกามันชันละพยาบาทได้จิตก็สว่างโพรงแจ่มใสปราศจากความงุ่งงูลเคลิ้ม ม, ม, มีสติที่รู้ตัวอยู่กำหนดที่รู้ที่รู้ตัวอยู่ทั้งหมดและมีปัญญาคือตัวความรู้ที่แจม่มแจ้งเหมือนอย่างเป็นไฟที่สว่าง แจ่มใสอยู่ในภายในจิต ท, ที่ประกอบด้วยสมาธิอุเบกขาที่แสดงมานี้อันเป็นสัมโพธชงย่อมเป็นจิต ท, ที่พร้อมที่จะรู้เป็นจิต ท, ที่ได้รับการซักฟอกมาแล้วโดยลำดับเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดควรที่จะรับน้ำยอมได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงสัจจะปปะ ข้อเท ว, วาลิสัจจะคือความจริงอันได้แก่อริยสัจต์ต่อเข้าในตอนนี้ก็เป็นอันว่าสิ่ประธานที่ทรงสแสดงมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดในข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรมก็มาประมวลเข้าในสัจจะทั้งสี่นี้ทั้งหมดได้ตรัสสอนให้รู้จักทุก การเรียกว่าท hmm. ุกกสัจจะสภาพที IS, ่จริงคือทุกข์สมุทัยกสัจจะสภาพจริงที pal, den, 75, ่จริงค <tr ือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์และมรรคกสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราวเฉพาะในข้อทุกข์นั้นได้ตรัสสอนให้รู้จักจับแต่สภาวะทุกข์ กที่เป็นไปตามสภาพคือตามภาวะของตนตามเหตุปัจจัยของตนดังที่สัตว์ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ทั้งสามนี้เป็นสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพ คือตามภาวะของตนตามเหตุปัจจัยของตนคือของตนคือของธรรมชาติธรรมดาสังขารคือเบญจขันธ์นี้เนื่ออายตนะทั้งปวงนี้หรือที่สรุปเรียกวันนามารุกและแม้สิ่งที่เป็นสังขารทั้งหมดแต่ว่ายกเอาเฉพาะที่มีใจคลอง ก่อนคือพี่ที่มีจิตวิญญาณเป็นขันสังขารของมนุษย์ก็ตามของสัตว์เดียงช้างก็ตามจำพวกที่เป็นกายเนื้อหรือแม้จำพวกที่เป็นกายทิพคือเทพพรมทั้งหลายหรือที่บังเกิดในอบายภมิ เป็นพวกโอปปาติกะคือเกิดขึ้นมาเป็นกายละเอียดเช่นเป็นภูเกิดในนรกหรือเป็นเปรตอสุรกายทั้งหมดรวมเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโอปปาริกะเช่นเป็นกายทิพย์หรือเป็นกายนรกกายเปรต อสุรกายก็เป็นสังขารทั้งหมดซึ่งเมื่อเกิดคือมีชาติความเกิดเป็นเบื้องตน้นก็ต้องมีชาราความแก่มรณะความตายในที่สุดคือต้องดับเหมือนกันหมดแม่สังขารร่างกายของพระอระหันต์พระสรีระของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จึงเรียกวันนิพพานดับขันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาพวุกถุทุกข์ตามสภาพจากนี้ก็ตรัสทุกข์ที่เกิดทางจิตใจอันสืบเรื่องมาจากตัณหาอุ ป, ปาทานรวมเรียกวกิเลสคือความโศกเป็นทุกข์ความรนจวนร่ำครวณเป็นทุกข์ แม้สังขารร่างกายของพระอระหันต์พระสรีระของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเรียกว่า น, นิพพานดับขันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาวะทุกข์ตามสภาพจากนี้ก็ตรัตทุกข์ที่เกิดทางจิตใจ อันสืบเรื่องมาจากตันขาอุ ป, ปาทานรวมเรียวกกิเลศคือความโศกเป็นทุกข์ความรัจงจนครั่มครุณเป็นทุกข์และแถมความไม่สบายกายเข้าในที่นี้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าบกินอ ก, นกนทุกทุกเป็นแต่ละที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเจนอาพาธ ป่วยไข้เป็นทุกข์ความไม่สบายใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ตอจากนี้ก็จะสรุปเข้าเป็นความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลาดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์คือเมื่อมีตัญหามีอุปาทานก็ต้องมีรักมีไม่รักซึ่งเป็นลักษณะรักก็กล้ามฉันไม่รักก็เป็นพยาบาทหรือไม่ชอบ เนี่ยต่อจากนี้ก็ัดสรุปเขาอีกเป็นหนึ่งก็คือว่าปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์อันนี้ชี้ทัดว่ารวมเข้าแล้วของพระอุบาทานตัณหาอุปาทานการทำให้ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ในความปรารถนาที่เป็นส่วนใหญ่นั้นก็ย่อมจะไม่สมหวั ง, ด, งดังเช่นเมืองมี ชาติความเกิดเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อมีความแก่ความตายเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้ตายก็ไม่ได้เมื่อมีโศกเป็นต้นเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้มีโศกก็ไม่ได้และการที่จะต้องมีทุกเหล่านี้เป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้มีทุกหลังนี้ก็ไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุเพรามีตัณหามีอุปาทานเพราะฉะนั้น ในที่สุดก็ได้รสรุปเข้าทั้งหมดว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ก็ได้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อเป็นนามรูปซึ่งคํานี้ก็มีเน้นอยู่ที่ว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์เมื่อไม่ ย, ยึดถือก็ย่อมไม่เป็นทุกข์คือหมายความว่าภูไม่ ย, ยึดถือนั่นไม่เป็นทุกข์เพราะขันห้า แต่ขันห้าเองนั้นมื่อมีอยู่ก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาคือต้องเป็นไปตามวมดของสภาวะทุกข์มีเกิดก็ต้องมีแก่มีตายแต่ว่าผู้ที่ไม่ยึดถือก็ย่อไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุที่ขันห้าต้องเมื่อเกิดต้องแก่ต้องตายเพราะว่า มีความรู้จแจ่มแจ้งมาเป็นธรรมดาไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่จงเป็นทุกข์ไปในสิ่งที่ไม่ยึดถือนั้นต่อเมื่อยึดถือจึงต้องเป็นทุกข์ไปในสิ่งที่ยึดถือนั้นจึงได้ดัดเน้นคํามาว่าขันเป็นที่ยึดถือเป็นทุกข์ก็เป็นนั้นว่า ได้ทรงคีดให้รู้จักทุกข์สัจจะสภาพจริงคือทุกข์โดยเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ดังที่ตัดจำแนกนั้นนั่นเรียกว่าทุกขะทุกขะทุ ก, ท, กที่เลยเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกําหนดฟังด้วยจิตใจที่ได้รับการฟอกด้วยการปฏิบัติ มันโดยลำดับฟังอริยสัจจึงจะเข้าใจอริยสัจดังเช่นฟังทุกขสัจจะจึงจะเข้าใจทุกขสัจญานี้ทราบซึ่งจนถึงเห็นทุก์ได้ดังธรรมมาจากสุขที่มังเกิดขึ้นแก่ท่านประกนทัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เห็นทุกสิ่งที่เกิดดับดังนี้ชื่อว่าเห็นทุกเพราะทุกนั้นก็คือเกิดดับเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ตรงดับและต้องเป็นดังนี้ครอบโลกไปหมดจึงเห็นสัจจะคือความจริงที่ครอบโลกทั้งหมดไม่มียกเว้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสอนและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป